มีข้อสังเกตอย่างหนึง่งที่อาจมีผู้ยกขึ้นอ้างซึ่งขอชี้แจงไว้ณที่นี้ด้วยครั้งหนึ่งก่อนคือเรื่องทำฝ่ายดีหรือกุศลซึ่งตรงข้ามกับฝ่ายชั่วหรืออกุศลในพุทธธรรมแทนที่จะใช้สับตรงข้ามมักใช้แต่เพียงแค่สับปฏิเสธทำให้มีผู้คิดเห็นไปว่าพุทธธรรมเป็นคาสอนแบบปฏิเสธและเรื่อยเฉยคือแบบเนกาทีฟและแพสซีฟ เพียงแต่ไม่ทําความชั่วอยู่เฉยเฉยก็เป็นความดีเสียแล้วอย่างที่นี้ฝ่ายมิจฉาสังกับปะเป็นพยาบาทสังกับปะฝ่ายสัมมาสังกับปะแทนที่จะเป็นเมตตากลับเป็นเพียงอพยาบาทสังกับปะคือปฏิเสธ ฝ, ฝ่ายมิจฉาเท่านั้นความเข้าใจเช่นนี้ผิดพลาดอย่างไรจะได้ชี้แจงต่อต่อไปตามโอกาสแต่เฉพาะเรื่องนี้ จะชี้แจงเหตุผลตอบโต้ความเข้าใจผิดแต่เพียงสั้นๆ ส, สามข้อก่อนคือหนึ่งมัคเป็นหลักปฏิบัติที่มุ่งคุณค่าทางปัญญาเป็นสำคัญจุดหมายของมัคคือการรู้แจ้งสัจธรรมมิใช่มุ่งเพียงคุณค่าทางจริยธรรมขั้นศีลหรือที่เรียกกันว่าศีลธรรมเท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งพึงระลึกไว้ว่าสัมมาสังกัปปะเป็นองค์มัคฝ่ายปัญญามิใช่ฝ่ายศีลดังนั้น การที่สัมมาสังกัปปะสอนให้ไม่คิดพยาบาทให้มีเมตตารักใคร้กันก็ไม่ใช่มุ่งเพียงเพื่อให้คนมีศีลคือละเว้นการฆ่าฟันเบียดเบียนกันช่วยเหลือกันอย่างเดียวแต่มุ่งให้มีความคิดที่ไม่เอ็งเอียงด้วยความเกลียดชังเป็นต้นเพื่อให้ความคิดนั้นปลอดโปร่งเป็นอิสระเดินตามแนวความจริงอย่างร่องตัวจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงไม่บิดเบือนโดยนัยนี้ การใช้คำปฏิเสธว่าสัมมาสังกัปปะคือความคิดปลอดโลภไม่มีพยาบาทไม่มีวิหิงสาจึงนับว่าเป็นการเหมาะสมดีที่สุดแล้วหมายความว่าเมื่อจะคิดจะพิจารณาอะไรถ้าไม่คิดเอาเข้าตัวไม่คิดด้วยความเกลียดชังมุ่งร้ายหรือจะทำลายใครความคิดนั้นก็จะบริสุทธิ์มีหวังว่าจะถูกต้องตรงความจริง เหตุผลตอบโต้วความเข้าใจผิดข้อที่สองโดยเหตุผลทางหลักภาษาคำบาลีที่มีอะปฏิเสธนำหน้ามิได้หมายความเพียงว่าไม่ใช่สิ่งนั้นแต่มีความหมายเปิดกว้างออกไปครอบคลุมหมดว่าสิ่งใดก็ตามที่ไม่ใช่สิ่งนั้นรวมทั้งสิ่งที่ตรงข้ามทั้งหมดดังเช่นคำว่าอกุศลมิได้หมายถึงไม่ใช่กุศลซึ่งอาจเป็นอภพยกระ คือเป็นกลางๆไม่ใช่ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วแต่อากุศลหมายถึงความชั่วที่ตรงข้ามกับกุศลเลยทีเดียวคำว่าอมิมิได้หมายถึงคนที่เป็นกลางๆไม่ใช่มิตรแต่หมายถึงศัตรูเลยทีเดียวดังนี้เป็นต้นในสัมมาสังกัปะนี้อะมีความหมายปฏิเสธแบบครอบคลุมคือทั้งที่ตรงข้ามและที่ไม่ใช่เช่นอภิยาบาทสังกปะ ย่อมหมายถึงเมตตาที่ตรงข้ามกับพยาบาทด้วยและความดำริที่บริสุทธิ์ปลอดโปร่งปราศจากพยาบาทเป็นกลางๆด้วยทำฝ่ายดีเช่นเมตตาเป็นต้นจึงรวมอยู่ในองค์มรรคข้อนี้ด้วยแล้วเหตุผลตอบโต้ความเข้าใจผิดข้อที่สการใช้คำที่มีอะปฏิเสธนี้นอกจากมีความหมายกว้างแล้วยังมีความหมายหนักแน่นเด็ดขาดยิ่งกว่าคาตรงข้ามซอีก เพราะการใช้คำปฏิเสธในที่นี้มุ่งเจาะจงปฏิเสธสิ่งนั้นไม่ให้มีโดยสิ้นเชิงคือไม่ให้มีเชื้อหรือร่องรอยเหลืออยู่ดังเช่นอภยาบาสังกะปะในที่นี้หมายถึงความรำริที่ไม่มีพยาบาทหรือความคิดร้ายแง่ใดส่วนใดเหลืออยู่ในใจเลยเป็นเมตตาโดยสมบูรณ์ไม่มีขอบเขตจำกัดเป็นการเน้นขั้นถึงที่สุดไม่เหมือนคำสอนบางลทัทธิ ที่สอนให้มีเมตตาการุณาแต่เป็นเมตตาการุณาตามคำจำกัดของผู้สั่งสอนไม่ใช่ตามสภาวะของธรรมจึงมีขอบเขตตามบัญญัติสำหรับใช้แก่กลุ่มหรือหมู่ชนพวกหนึ่งหรือสัตวโลกชนิดหรือประเภทใดประเภทหนึ่งแล้วแต่ตกลงกำหนดเอา